อย่างที่หลวงพ่อมาทอดพระป่าเมื่อวานไอ้เมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นประธานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เอาจะตุกปัจจัยของวัดหลวงพ่อก็สมทบเขาไปอีกเพื่อสร้างอาคารครอบเจดีย์กุฏิหลวงปู่มั่นรวมสมทบเข้าไปสี่หมื่นบาทเมื่อเช้า โดยมากหลวพ่อไปที่ไหนก็คิดคิดว่าไม่ได้ไปเพื่อมุ่งมุ่งหวังอะไรเพื่อน้ำใจของพี่น้องประชาชนพระเดนที่รู้จักมักคุณผู้มีอุปกรณคุณสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตรวงพ่อก็ทำเดินเขาไปสู่จุดนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น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 พระปฏิมโมกเพื่อให้ถูกอักขระในการสวดพระปฏิมโมกอันนี้หลวงพ่อก็เห็นด้วยแล้วกัการแนะนําการบอกการตัดเย็บบริขารของตนเองเออทุกวันนี้มีแต่เราใช้ของตลาดเพราะของตลาด <c oughs> เขาก็พัฒนาเขาก็าพัฒ น, นาให้ของน่าใช้ขึ้น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 ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะอันนี้ก็ควรจะสอนกันนะถูกต้องแต่หลวงพ่อเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคณะสถาบตาาาาาาาิโยมลูกหลานทุกองนะตีนบาดหลวงพ่อก็ทําได้ทลกบาดเย็บเย็บทะลกบาเดเย็เบผ้าปูนั่งเย็บสบงจีวรสังคาติของใช้พระเนี่ยหลวงพ่อทำได้ทั้งหมดเพอะหลวงพ่อเป็นเนนหลวงปู่ล่ามาก่อนเวลาเย็บผ้าเนี่ยก็หลวงพ่อก็ขึ้นจากเย็บ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 อายุสิบเจ็ดปีนักขาวนั้นะน่ะเยได้รับมาน ะ, <c oughs> ะคือหลวงปู่ศิลาบอกไอ้ะพระกูบาบอกกูบาศิลาถึงเป็นเราเป็นเนนเจากนั้นเราก็ออกพ่อเข้าพรรษาแล้วก็เอาเลยเละท่นี่อ <c oughs> ทองปฏิโมกอ์ผลที่สุดเดือนหนึ่งกับสิบห้าวันเดือนครึ่งอ่ะ <c oughs> ปฏิโมกหลวงพ่อนี่จบเลยโอ้ทองได้คล่องเลยท่าน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 ที่ท่านมรณาภาพที่วังเลิงเนี่ยหลวงปูป่พุนมหาพุนมีเนี่ยอายุแก่พรรษากว่าหลวงตามหาบัวนะท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่บัานเหล่าโคกกลางอำเภอสมัยนะั้นอำเภอคำาชะอีแต่ทุกวันนี้เป็นอำเภอน้องสูงแล้วก็มีพระอยู่ด้วยท่านสามองค์หลวงปูล่ลาก็พอบวชพระปีเสร็จแล้วนะเขาท่านคนนีนม์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 วัดป่ารมสมพอรอท่านไม่มีพระปฏิโมกหลวงพ่อกส็สวดอในที่นั่นอีกอก็ไม่มีใครตําริติติงว่าสวดโอ้สวดปฏิโมกเก่งอะใช้ได้เร็วพอมาเขาไปสวดที่ถ้ากองเพนหลวงปู่ขาวอีกอแล้วก็สวดหลายๆแห่งที่ไปแล้วไม่มีพระสวดปฏิโมกแต่นี้พอเข้าไปบ้านตาดเลยพอไปเข้าไปบ้านตาด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 ไม่มีองค์อื่นเหรอมีองค์เดียวตอนนี้เหรอสวดปฏิโมกเนี่ยถ้าวัดองค์นี้เจ็บใครได้ป่วยแล้วไม่สบายเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยทำไมพวกท่านทั้งหลายไม่คิดกันบะฮะแต่ในพวกหมู่เพื่อนก็มาบอกหลวงพ่อเลยเฉยๆคกูบาครูบาต้องขึ้นปฏิโมกนะคาวหน้าเนี่ยโอ้ยขึ้นได้ยังไงดูๆแล้วมันขนและมวยคนและชั้นกันเลยเนี่ยะฟังๆดูแล้วเนี่ยเราแบบมวยลัว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 เออพอเราฉวดเร็วเนี่ยพอเร็จมันมันก็สระอาอออเนี่ยอีอูอูเนี่ยเอโอเนี่ยเออมันมันเรามันรัวมันเสียงสั้นไปหมดเลยมันต้องท่านบอกอออีอูโออตรงคอเพกอขึ้นจมูกนอะนอเนนเออมันจะพูดนะได้ยังไงรอ ไม่ใช่ล้อเล่งร้องเนี่เนี่ยท่านทักโอ้โหวันนั้นจนเป็นบุญเป็นบุญข้าวฉากนะวันนั้นคนคนมาล้อมสลาหมดแล้วเขาจะใส่บาตรนะเรายังสวดปฏิโมกไปจบโต๊ะๆต๊ะต๊ตหลวงพ่อเห็นแล้วโธ่คงไม่มีวาสนาว่ะเรื่องเรื่องปฏิโมกที่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยคงไม่เอาอีกแล้วโต๊ะตายเกือบไม่รอด ถ้าเราไม่ซ้อมมาดีเนี่ยตายไล่ลงธรรมะแน่ๆข่าวนี่เลแต่นี่เราก็คิดว่าซ้อมมาอย่างดีแล้วนะแต่ติดไม่อยู่เท่าเมแปลว่าเทาติดแล้วไหลไปอีกพอติดแ้่ก็แก้แล้วไหลอีกแต่ขนาดนั้นก็เกือบสามชั่วโมงนะ่ะพอในสู่อะไรไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นปักปักต่อไปองค์อื่นขึ้นพอปักต่อไปไม่ขึ้นอีกหลวงตาสอนนะ ทำอินมันทำไมไม่ขึ้นสวดปฏิโมกขอทำไมไม่ฝึกต้องฝึกนะแต่ปฏิโมกไม่ฝึกได้ยังไงมันต้องฝึกนะเราก็เฉยไม่มีวาสนหาหรอวะคิดในใจนะพอขึ้นมาอีกคราวหน้าอีกท่านถามแราเอาแรงแลยท่านทำอินมันไม่ขึ้นหรอสวดปฏิโมกมันของหยาบๆนะ กิเลสภายในใจเนะ่ะมันยิ่งละเอียดกว่านี้มองไม่เห็นอนะ่ะอันนี้หูกับปากของท่านท่านไม่ได้ยินเหรอหูกับปากนะ่ะมันไมไ่ไกลกันเลย ท, ท่านพูดผิดท่านพูดผิดท่านพูดถูกท่านไม่รู้เหรอทําไมไม่ฝึกฝึกเพียงแค่นี้ไม่ได้ฮะโอโหพอได้ยินหมัดนี้เท่านั้นแหละหลวงพ่อจบได้เท่านี่โอ้ไม่ได้บรรพัดว่าต้องเอาใหม่ อจากนั้นหลวงพ่อท่องอย่างขนานหนักเลยท่านเนี่ยจุดประสงค์ของท่านคืออะไระจุดประสงค์ของท่านก็บอกว่าขึ้นใหม่ห่จะไปย่าไปสวดเร็วขึ้นให้เป็นธรรนองซะก่อนอุโปโสสะทะการเนะโตปุเบนวะวีดังปุบากิจจังกาตะบังโหติตันขานะสั ม, มัชนันจัตถะปฎิปุชละนันจาคือพูดให้เป็นจังหวะเนี่ย แต่พอเลยสังขารที่เสดไปแล้วเนี่ย เ, เลยเข้าขั้นนิจคีปราริจตีนะเร่งเลยท่านเอเร่งเครื่องเลยเอท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ไม่จะปุบปับขึ้นปขี่ม้าในท่อตะบึงเลยนะไม่ได้เอไม่มีจังหวะจากโคนนะเนี่ยวนนั้นสวดปฏิโมกขะองค์หลวงตาหลวงพ่อผัวดรวจครั้งที่สาท่านไม่ไม่ทักเลยเพราะเรารู้จักทํานองเอต่อมาก็หลวงพ่อไปองสวดประจํา อยู่หลายปีทีเดียวเลยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะนี่แหละอันนี้คือพูดให้ลูกให้หลานได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะว่าการสวดพระปฏิโมกเนี่ยที่หลวงพ่อได้เจอได้พบมาในการสวดปฏิโมกกับองหลวงตาเท่านพิถีพิถันจริงจริงท่านไม่ได้ฟังแล้วก็เ อ, อเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วก็จบจบไปไม่ใช่นะถ้าไม่ถูกอักคราในท่าน ทักท้วงจริงๆอันนี้ก็คือแนวหนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้ยินพระสังฆาธิการการสินของพวกเราได้ยินว่ามีการทบทวนเรื่องปฏิโมกข์หลวงพ่อก็เลยเ ล, เ, เล่าเรื่องราวปฏิโมกให้กับพระลูกพระหลานได้ฟังได้ศึกษานะอันนี้ก็คือเรื่องศีลเรื่องศีลศีลและวินยัย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตัตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตัถาคตผ่านไปแล้วเป็นอันว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นอย่างหลวงพ่อได้ยินผู้ที่จัด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 ในครั้งพระพุทธเจ้าก็จิงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าอาบัตเล็กน้อยของพวกเธอท่านทั้งหลายที่อาบัตจุ๋มยิมพวกท่านประชุมกันแล้วจะถอดถอนก็ได้นะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งกับพระอานุ์แต่พระอานุ์ก็ไม่ได้ถามว่าอาบัตจุ๋มยิมอาบัตเล็กน้อยนั้นคือกลุ่มไหนพระเจ้าข่าพระอานุ์ก็ยังอยู่ในตก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 อันนั้นจะดีกว่าเพื่อเมื่อเขาเราสู่เข้าไปสู่ชุมชนและสังคมนะอันนี้แหละอันนี้คือพระสงฆ์ในครั้งนั้นที่เป็นพระอรหันต์ผู้แตกฉานในอัในธรรมทั้งห้าร้อยองค์ไม่เป็นเอกฉันนะในการวิวนวิเคราะห์ในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระมหากัตปะท่านก็ประมวลสรุปทที่ท่านเป็นประธานสง์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 มีรถมอเตอร์ไซค์มีจักรยานเนี่ยแต่ถ้าว่าพวกเราขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถจนอย่างเนี้ยแต่ถ้าว่าเป็นในครั้ง พ, พระพรุทธเจ้าหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าพระพรุทธเจ้าคงจะบัญญัติขี้ในแต่มาถึงยุคนี้ก็เถอะแต่ถ้าพระไปทําอย่างนั้นเข้าไปก็ไม่ไม่น่าจะถูกต้องอทางพร ะ, ะผูกเกี่ยวข้องทั้งหลายที่ฝ่ายปกครองกบบัญญัติว่าเออกฎ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 อนนีจางทุกขังอานาตาเห็นทางพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไปได้พเพราะเหตุไรเพราะกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงนะมันปิดบังอันนี้คือคําพูดของหลวงปู่มัน่นที่ท่านสอนสิทธิาณุสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดเอาไว้อีกเหมือนกันนี่แหละแต่สมัยหลวงพ่อเป็นสมณี หลวงปู่ราท่านก็สมัยนั้นมีแต่นวโกวาดแล้วก็พินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามจากนั้นก็เอาท่านก็ดูเรื่องบุปภสิขาอนะุปสิขาจากนั้นก็มหาขันมหาขันเป็นเล่มใหญ่หญหญเก่าๆนะหลวงพ่อเคยเห็นเป็นเล่มเก่าๆหนานะเป็นหนังสือเล่มเดียวแต่พูดเรื่องเกี่ยวกับอภิสมาจารหนังสือในมหาคันละเอียดทีทวนเยิบ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 ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าก ำ, นกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไถยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาแยว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ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 เชื้อที่จะทำให้เกิดน่ะพระองค์พระพุทธองค์ได้ํำจัดออกแล้วเหมือนกับมเมล็ดเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวเปลือกทำยังไงมันจะ ง, งอกเงยขึ้นมาอีกเพราะมันมีเปลือกอแล้วมันมีตามันมีเชื้อแต่เราก็เทเปลือกออกแล้วก็มาคัดแล้วก็มันนึ่งแล้วตอนนี้เอาไปตากแดดเอาไปปลูกเถอะประเทศไหนเอาไปโลกจักรกวาลไหนเอาไปปลูกเถอะปลูกข้าวสาร ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันหมดเชื่อแล้วนะอันนี้แหละความหมดเชื้อตัว น, นั้นะใจของพระ อ, องค์จึงหมดเชื่อแล้วเชื้อที่จะทำให้เกิดไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นความตายจึงไม่มีเพราะนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนเหเพนธันตัท่านพูดอย่างนี้แต่ท่านนี้มามาพูดถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราเนี่ย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 เออพ่อพูดเองท่านว่าเออเราเก็บอธัธิษฐานของหลวงปู่มั่นไว้เนี่ยเก็บไว้นานไม่เป็นผัสสะเออมันเราเนี่ยคงจะเป็นบาปกรรมอันหนึ่งท่านว่านะแอบพวกลูกห ล, ลานฟังเอาไว้จุดนี้นะ่ะเออท่านว่าในสมัยโค้งสุดท้ายหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะพัลละภาพปีสุดท้ายท่านพูดดุให้พระอย่างขนานหนักนะเออเพราะก่อนหน้านี้ท่านไป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 พอท่านมาภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีท่านได้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมพูดง่ายๆเพื่อได้สาเร็จเป็นพระหรหันพูดง่ายๆ เ, เมื่อลุงตาได้สาเร็จแล้วลงตาโอ้ใช่อันนั้นเป็นแนวเป็นแนวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ู่คนที่ทำอย่างนั้นคนที่หากินอย่างนั้นใช่มันถูกแต่ถ้าว่าอย่างพวกเราเได้มาแล้วเอาไป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 อ, อยอมสารภาพผิดแต่ถึงยังไงมันจุดนั้นมันมันฝังลึกทันวานะ อ, อแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่หลวงปูง่มันก็เลยกลายเป็นประทาตให้ท่านอยายการคุณ เ, เขาก็มาบอกให้เรานี่แหละอันนี้ถ้านวักใครได้รับเป็นอย่างนั้นเข้ามาจะทํำยังไงเ อ, อว่ากระดูกของหลวงปู่มันไม่ใช่ประทาตใช่ไหมพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเ อ, อเขาต้องเชื่อในที่เห็น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 โทอ่ามันจะไม่เผลอมันจะไม่หลงลืมง่ายอันนี้ก็คือหลวงปู่มัน่นท่านสอนทุกองอ่าเราจะได้ยินถ้าหากว่าเป็นธรรมเล็กขิดหรือว่าประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้เขียนลงในประวัติแล้วท่านก็จะพูดเรื่องหลวงปู่มัน่นสอนภาวนาพทุทโธอย่างหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอ่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆทุกองน่ะอ่าท่านให้ภาวนาพทุทโธอ่าเป็นหลัก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 ว่าสัมปชัญญะที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้ก็คือกําหนดลมแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกกาหนดลมอย่างนั้นถือกระเถอะแต่มันยังหายมันยังหายละมันยังเผอได้หายได้เวลาหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทให้มีพดโทด้วยนะอันนี้เราจะเป็นพลังสองคือหายใจเข้าพดท้ายจะออกโถอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงตาท่านก็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 เป็นไงมาหาภาวนาโอ้ก็ผมภาวนาสมาธิของข้าบกระผมเนี่ยแน่นหนามัาน่นมากครับกำหนดลมกาหนดเมื่อไหร่ให้เข้าเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแน่นเปึ้อเลยใน จ, ใจิตใจจิตใจแน่นในเรื่องสมาธิแน่นเปึ้อเลยจะนั่งทั้งคืนก็ได้พอวันไหนจะนั่งทั้งคืนท่านบอกว่าท่าไหวคืนไหนฝน ต, ตกดินพรำๆอากาศเย็นๆ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 ผลที่สุดเ อ, อพอตั้งขึ้นไปแล้วมันจะไม่เผล อ, อ, อได้นาน น, ะนี่แหละถ้ามันเผลอมันพอนับไปแล้วไม่เท่าไหร่เบอร์เบอรนะ์อร์เเสร็จแล้วก็หายใจเข้าทักที่เป็นเลขขี้หนึ่งนะหายจะออกเป็นเลขคู่สองสามสี่คู่คี่คู่ขี้ี้คู่ไปเคี่คู่คี่คู่กี่คู่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 อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพรนลูกพานหลานพาน้องพระนุ่งคณะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะวันนี้ก็หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนนยกระถาและก็ได้ย ก, ก, ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจากปูชนียานังบัณฑิตานันจะเสวนาคือบัณฑิตก็คือองค์หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าน่ะคือบัณฑิตทั้งหมดสินห้าคือบัณฑิตศินีิบคือบัณฑิตคุณงามความดีทั้งหลายสัมมาทิฏฐิทั้งหลายคือบัณฑินะตนแท่ว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วนะั่นเป็นว่าอาัศ ว, วนาเป็นภาลชนเป็นผ่าน่ถ้าว่าบัณฑิตก็คือความถูกต้องคือความเป็นธรรม